รักใคร่ปรารถนาพอใจอันทำใจให้อาลรอันน่วงใจไปให้คิดถึงหรือว่าคิดไปถึงเรื่องที่ขัดใจ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 แต่เมื่อได้มาจับรมกรรมฐานเช่นตั้งจิตกำหนดในสติปฐานที่ตั้งของสติคือกาย เวทนาจิตและธรรมข้อใดข้อหนึ่งเห็นกำหนดในข้ออาณาปานาสติสติกํำหนดลมหายใจเข้าออกให้จิตกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออก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 ที่เป็นที่อะไรของจิตคือที่ผูกจิตทั้งเป็นเรื่องที่น่ารับทั้งเป็นเรื่องที่น่าชังต่างๆเมื่อมีสตินำจิตเข้ามาตั้งไว้ใหม่อยู่ที่ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออก เห็นตั้งไว้ที่ปลายจมูกหรือที่ริมพิปากเบื้องบนเมื่อลมให้ใจเข้าลมให้ใจก็ย่อมจะมากระทบที่จุดนี้กําหนดจิตให้มีความรู้ ในลมที่เป็นตัวผทผัะคือที่มาถูกต้องกายส่วนนี้ทำความรู้ว่านี่ให้ใจเข้านี่ให้ใจออกจิตมักจะไม่ตังอยู่ ต้องนำกลับเข้ามาบ่อยๆดังกล่าวนั้นก็เพราะจิตยังไม่ได้ความสุขยังไม่ได้ความเพลิดเพลินในสมาธิยังติดอยู่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 ก็ยอมจะทำให้จิตนี้เริ่มตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิได้เพราะว่าได้ความสุขไม่ได้ความอึดอัดเดือดร้อนํำคาญฉะนั้นสมาธินี้ จึงมีอานิสงส์ผลทําให้ในความสุขอยู่ในปัจจุบันสามารถที่จะถอนจิตออกจากอารมณ์ภายนอกกันทําให้วายได้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 อยู่ในอารมณ์ของสมาธิได้นานความที่พรกิตออกจากอารมณ์ภายนอกได้มาตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิที่เป็นภายในดังนี้ก็เป็นวิธีรำงับความทุกข์ต่างๆอันเกิดจากอารมณ์ภายนอกได้ด้วย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 ว่าความผูกพันของจิตอันเรียกว่าสัญยชนั้นมีน้อยหรือมากเพียงใดก็เพราะว่าอันอาภัยรทต่างๆนั้นเมื่อเป็นปิยะสัมประโยค คือความประจวบกับสิ่งที่เป็นที่รักก็ยอมจักทำให้ได้ความสุขความสำราญหากเป็นปิยวิปโยคความพลัดรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็ยอมจะทำให้เกิดความทุกโศกต่างๆ เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้ปฏิบัติทางสมาธิจึงยากที่จะพลากจิตออกได้ทั้งจากความสุขความเพลิดเพลินทั้งจากความทุกข์โศกแต่ว่า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 ตามธรรมดาของโลกคุณจะต้องมีทั้งส่วนที่สมปรารถนาทั้งส่วนที่ไม่สมปรารถนาคือทั้งส่วนที่ได้มาและทั้งส่วนที่จะต้องเสียไปเป็นไปตาม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 ซึ่งทุกคนต้องประสบแต่ผู้ที่สามารถปฏิบัติอบรมจิตให้ตั้งอยู่ได้ในสมาธิรู้จักที่จะพรากจิตออกได้จากอารมณ์ภายนอกย่อมสามารถที่จะ หนีทุกมาอยู่ในสมาธิอันทำให้ในความสุขจากสมาธิคนที่ไม่สามารถทำสมาธิได้ย่อมไม่สามารถจะหลีกหนีจากทุกได้ ต้องเผชิญกับความทุกข์อยู่รำไปฉะนั้นความที่ทําสติความระลึกได้ร้อมทั้งปัญญาคือความรู้ดังนี้มหัดทมสมาธิครากจิตจากอารมณ์ภายนอกอันทําให้เกิดสุขก็ตามทําให้เกิดทุกข์ก็ตาม มาตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิและเมื่อพากออกได้ก็ยอมจะทำให้ระ ง, งับทุกข์ได้ทำให้ได้ความสุขได้แต่ว่าเมื่อออกจากสมาธิไปก็ยอมจะต้องไปอยู่กับอารมณ์ภายนอกเป็นทุกข์ขึ้นอีกแต่ถึงดังนั้นก็ยังดีเพราะเมื่อเห็นว่าจะทุกข์มากไป ก็หลบเข้ามาสู่อารมณ์ของสมาธิเสียก็จะทำให้ได้ความสุขจากสมาธิทำให้จิตใจได้กำลังได้เรียวแรงที่จะปฏิบัติกิจการทั้งหลายแต่ว่า เพียงสมาธิอย่างเดียวยังไม่สามารถที่จะดับทุกข์ได้จริงจึงต้องปฏิบัติทางปัญญาปรกอบไปด้วยกล่าวคือใช้สติความระลึกตามที่พระพุทธเจา้าทรงสอกทรงสั่งสอน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 เมื่อเป็นดังนี้ก็จะทำให้รู้จักสักจจะคือความจริงของโลกโดยเฉพาะก็คือขันธ์โลกโลกคือขันธ์คือชีวิตนี้ของตนว่าเป็นอย่างไรให้รู้จัก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 ว่าก็ต้องเป็นไปตามคติธรรมดาและตามคติของกรรมก็จะทำให้จิตใจนี้สามารถที่จะระงับความ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 คคือความกลัวต่างๆเกิดจากบุคคลในสิ่งที่เป็นที่รักความโศกความกลัวเกิดจากความรักเมื่อพ้นจาก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 ถ้าเป็นที่รักบุคคลหรือสิ่งนั้นๆก็ต้องคลาดพลากไปถ้าไม่เป็นที่รักบุคคลหรือสิ่งนั้นๆก็กล่ากลายเข้ามามักจะไปเพ่งดูดังนั้นและเมื่อเป็นดังนี้ก็ยิ่งทับถมทวี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 ยังได้ตรัสสอนให้จับเหตุให้ตรงกับผลคือตรัสสอนให้จับเข้ามาดูเหตุที่เป็นตัวเหตุภายในคือตัณหาความริดรนทยานญยากในใจของตนเองซึ่งตรัสว่าเป็นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข รตัณหานี้เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานคือความยึดถือยึดถือว่าเป็นตัวเรายึดถือว่าเป็นของเรายึดถือว่านั่นเป็นที่รับยึดถือว่านั่นไม่เป็นที่รับตัณหาอุปาทานนี้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 ว่าารูในอริยสัจ ท, ทั้งสี่คือทุกเหตุเกิดทุกความดับทุกขทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขทุกต่างๆนั่นก็เพราะมีทุกขสมุทยัยเหตุได้เกิดทุกคือตันหาความดิโ น, นที่ยานอยากดับตันหาเสียได้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 ว่าเป็นอนิจจคือไม่เที่ยนต้องเกิดดับเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแต่เป็นอนัตตาบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้จิงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตามที่ยึดถือกันดังนี้ความรู้ที่บังเกิดขึ้นรับรองความจริงนี้ ก็เป็นสมมาธิทีิความเห็นชอบพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาในมัชมีองค์แปดนี้ที่ตรัสเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาข้อที่ปฏิบัติที่เป็นหนทางกลางสมบูรณ์ทรงกำหนดรู้ทุกได้แล้ว รงละส ม, มุทัยได้หมดแล้วทรงทำให้แจ้งนิโรธได้แล้วทรงปฏิบัติในมรรคมีองค์แปดได้สมบูรณ์แล้วจากสุคือดวงตาญาณคือความอย่างรู้ปัญญาคือความรู้รอบวิชาคือความรู้จริง อาโลกคือความสว่างผุดขึ้นในอรียสั์ทั้งสี่กิเลสและกองทุกข์ดับไปหมดสิน้นจึงทรงเป็นพุทโธคือเป็นภูตรัสรู้แล้วและความรัสรู้ของพระองค์ในอรียสั์ทั้งสี่นี้เมื่อแสดงโดยพิสดาร